บุญที่ได้พบมหาบุรุษผู้เป็นอัศจรรย์โดยบรรณศาลาในวัยเด็กตั้งแต่จำความได้เรามีความผูกพันอยู่กับวัดเป็นอย่างมากพ่อและแม่ชอบพาเราไปทำบุญทุกวันอาทิตย์จนเมื่อโตขึ้นเราก็ยังได้มีโอกาสเรียนในโรงเรียนวัด ซึ่งก็ยิ่งทําให้เรามีความผูกพันกับวัดมากขึ้นไปอีกโรงเรียนนี้เป็นหนึ่งในไม่กี่โรงเรียนที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานกําเนิดโรงเรียนของเรามีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานและเกี่ยวเนื่องด้วยสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้งยังมีความสําคัญในทางศาสนาจักรทุกเย็นหลังจากเลิกเรียนแล้วเราจะเข้าไปหาพระผู้ใหญ่องค์หนึ่งเพื่อปรนิบัติท่านเท่าที่เราจะทําได้ หลายคนเรียกท่านว่าท่านเจ้าประคุณด้วยความที่ท่านเจ้าประคุณเป็นพระเทระที่เปลี่ยนไปด้วยเมตตาธรรมอย่างสูงทุกครั้งที่เราขึ้นไปถวายงานท่านท่านก็จะเมตตาสั่งสอนหรือบอกเล่าเรื่องราวต่างๆให้เราฟังอยู่เสมอเสมอและเรื่องราวเหล่านั้นได้กลายมาเป็นพื้นฐานของความเข้าใจในเรื่องต่างๆของเราในเวลาต่อมา เหตุที่ทำให้เชื่อเรื่องวิญญาณในวัยเด็กเรามีชีวิตสนุกสนานไปวันๆเหมือนกับเด็กทั่วไปแม้เราจะรู้จักการพลัดพรากครั้งแรกในชีวิตเมื่อตอนที่ยายทวดของเราเสียชีวิตในขณะที่เราอายุสี่ขวบแต่ครั้งนั้นเราไม่ได้เศร้าโศกเสียใจอะไรมากเพราะศูนย์กลางชีวิตของเราคือพ่อและแม่เรารู้แต่ว่าเราจะไม่มีโอกาสได้เจอยายทวดอีก เพราะยายทวดไม่ตื่นขึ้นมาเหมือนอย่างทุกวันเราเป็นคนแรกในบ้านที่รู้ว่ายายทวดไม่ยอมตื่นเพราะแม่ให้เราไปปลุกในห้องนอนเราเรียกยายทวดอยู่นานจนแม่ของเราเข้ามาดูความโกลาหลจึงเกิดขึ้นทันทีทุกคนในบ้านกรู ก, กันเข้ามาในห้องและรีบอุม้มยายทวดขึ้นรถไปโรงพยาบาลเมื่อเราและแม่ตามมาถึงโรงพยาบาลทุกคนที่มาก่อนมีสีหน้าเศร้าหมอง แม่ของเราเข้าไปพูดคุยกับพยาบาลที่เป็นเพื่อนของพี่สาวแม่แล้วแม่ก็ร้องไห้ออกมาอย่างไม่อายใครเพราะยายทวดเป็นคนเฝ้าธนุถนอมแม่เรามาโดยตลอดตั้งแต่แม่เป็นเด็กยายทวดไม่ได้ดูแลหลานคนอื่นนอกจากแม่ของเราจนถึงรุ่นของเหลนเราและน้องชายก็เป็นเหลนเพียงสองคนที่ยายทวดเมตตา เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเข็นเตียงที่มีร่างของยายทวดนอนสงบนิ่งอยู่ไปทางด้านหลังตึกจนไปถึงตึกอีกหลังหนึ่งที่เงียบและไม่ค่อยมีผู้คนส่วนนางพยาบาลที่เป็นเพื่อนของพี่สาวแม่เดินตามมาหลายสิบคนทุกคนพูดคุยกับเราอย่างคุ้นเคยเพราะในตอนที่แม่คลอดเราแม่เล่าให้ฟังว่าพวกป้าๆพวกเนี้ยมาคอยให้กาลังใจเต็มห้องคลอดไปหมดคนที่เราสนิทด้วยมากที่สุดชื่อป้าแปว เป็นคนที่เห็นเราก่อนแม่เราเสอีกปั๊บแป๊บชวนเราพูดคุยเรื่องทั่วทั่วไปจนถึงห้องพักศพในสมัยนั้นห้องพักศพที่โรงพยาบาลวชิระยังมีขนาดไม่ใหญ่นักและซองเก็บศพที่เป็นเหมือนตู้เย็นก็ยังไม่มีระหว่างคอยเรื่องเอกสารต่างๆพวกป้าๆต้องกลับไปทำงานและคนอื่นๆที่บ้านก็ไปติดต่อจัดการเรื่องงานศพเราและแม่จึงยืนอยู่เป็นเพื่อนใหญ่ทว แม่และเรายันเป็นเพื่อนยายทวดอยู่นานมากจนกระทั่งเวลาล่วงเลยจนถึงบ่ายแก่ๆระหว่างนั้นพวกป้าๆนางพยาบาลก็แวะเวียนกันมาดูและพูดคุยกับแม่เรานั่งอยู่ห่างจากเตียงของยายทวดประมาณหนึ่งเมตรขณะที่พวกป้าๆพูดคุยกับแม่เราก็ได้แต่มองไปที่ศพยายทวดเราเห็นดวงไฟขุ่นๆสีขาวขนาดเท่าผลส้มลอยต่ำๆอยู่บริเวณหน้าอกของยายทวดเราขยี้ตาทั้งสองอยู่หลายครั้ง จนแม่และพวกป้าๆคิดว่าเราง่วงนอนในขณะนั้นเราเองก็รู้สึกเพลียอยู่บ้างจึงไม่ได้พูดในสิ่งที่ได้เห็นอยู่เบื้องหน้าพ่อตามมาสมทบและพาเรากับแม่กลับไปบ้านเพื่อเตรียมตัวไปวัดบวรมงคลซึ่งเป็นสถานที่ที่ใช้สวดศพยายทวดของเราตลอดเวลาที่มีการสวดศพยายทวดเรารู้เพียงว่าเป็นกิจวัตรประจาวันในขณะนั้นที่ทุกวันในตอนเย็น เราและครอบครัวต้องไปหายายทวดที่วัดและเป็นหน้าที่ของเราที่ต้องไปเคาะข้างลงศพ บ, บอกให้ยายทวดรับประทานข้าวก่อนที่พระจะสวดมนต์และบางวันก็ต้องไปวัดในเวลาเช้าด้วยและเป็นเช่นนี้อยู่หลายเดือนก่อนที่จะเผาศพยายทวดของเราความทรงจำถึงการพลัดพรากครั้งแรกในชีวิตของเรามีเท่านี้เท่านี้จริงๆไม่มีการร้องไห้ฟูม่าย บางครั้งกลับรู้สึกสนุกซสด้วยซ้ำที่ได้มีกิจกรรมต่างๆนอกบ้านเพราะในบางวันพ่อและแม่ก็จะพาเราขึ้นเรือข้ามฟากไปวัดแทนการขับรถไปซึ่งเป็นสิ่งที่เราชอบมากหลังจากที่ยายทวดเสียชีวิตไปไม่นานเราเริ่มเห็นสิ่งแปลกๆรอบตัวคืนหนึ่งขณะที่เราเตื่นขึ้นกลางดึกเรามองไปในความมืดรอบตัว ก็เห็นจุดเล็กๆจำนวนมากมายล่องลอยอยู่เต็มห้องนอนจุดเล็กๆนั้นมีหลายสีขนาดเล็กประมาณปลายปากกาเรามองอยู่อย่างนั้นนานมากแล้วจุดเล็กๆก็เริ่มเข้ามารวมตัวกันหนาแน่นมากขึ้นเริ่มก่อเป็นรูปร่างของคนแต่ไม่มีหน้าตาเป็นเพียงโครงร่างเท่านั้นร่างที่ปรากฏยืนอยู่ที่ปลายเตียงที่เรานอนอยู่เป็นเวลานา น, านมาก และเราก็รู้สึกตัวตลอดเวลาเราลืมตาอยู่ในความมืดเช่นนั้นนานมากจนในที่สุดจุดเล็กๆที่รวมกันเป็นโครงร่างก็เริ่มคลายออกและค่อยๆแตกออกจากกันกลับเป็นจุดเล็กๆอีกครั้งก่อนเลือนหายเป็นในความมืดเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นบ่อยแต่เราก็ไม่ได้รู้สึกกลัวแต่อย่างใดและตอนนั้นเราก็ไม่รู้ว่าปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นเพราะอะไร หรือมีเหตุผลอะไรที่ทำให้เราเห็นเช่นนั้นชีวิตของเราดําเนินต่อไปตามปกติแล้วเรารู้สึกคุ้นเคยกับจุดสีที่ก่อเป็นโครงร่างในยามค่าคืนบางครั้งเราเห็นจุดสีที่ว่าถึงสองครั้งในหนึ่งสัปดาห์และทุกครั้งที่จุดสีเล็กๆมารวมตัวกันเราจะรู้สึกได้ถึงสัมผัสที่เราคุ้นเคยสัมผัสนั้นเป็นสัมผัสที่อ่อนโยนของยายทวดของเรานั่นเอง ชีวิตของเราดำเนินต่อมาเป็นปกติจนเราอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สเราต้องพบกับความพลัดพรากครั้งยิ่งใหญ่พ่อซึ่งเป็นศูนย์กลางของชีวิตได้จากเราไปอย่างกระทันหันพ่อประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์รถสิบล้อชนรถของพ่ออย่างแรงถึงขนาดที่ร่างของพ่อกระเด็นออกจากรถตกลงไปในแม่น้ำตารวจโทรศัพท์มาที่บ้านตอนประมาณสี่ทุ่ม แจ้งว่าพบรถของพ่อประสบอุบัติเหตุแต่ไม่พบร่างของพ่อแม่ปลุกให้เราตื่นและบอกว่าพ่อประสบอุบัติเหตุขณะที่แม่กําลังเปลี่ยนเสื้อผ้าเปลือกตาของเราหนักลงอย่างมากจนปิดสนิทแล้วเราก็เริ่มรู้สึกว่าตนเองกําลังจมน้ําและหายใจไม่ออกเราเริ่มสําลักน้ําจนมือควยคว้าในอากาศและสิ่งสุดท้ายก่อนที่แม่จะเขย่าให้เรารู้สึกตัว คือเราเห็นกอผักตบชวาลอยมากับไม้ไผ่หลายลำและเห็นมือมือหนึ่งพยายามเกาะไม้ไผ่นั้นแม่เขย่ยาตัวเราอย่างแรงและบอกให้เรารีบไปล้างหน้าก่อนที่แม่จะขับรถพาเราและน้องไปที่เกิดเหตุเมื่อไปถึงที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยและตำรวจจำนวนหนึ่งพยายามสาดแสงไฟลงไปดูที่แม่น้าและบอกกับแม่เราว่า ไม่แน่ใจว่าพ่อของเราตกลงไปในแม่น้ำหรือเปล่าแต่สิ่งที่เราเห็นอยู่ข้างหน้าช่างเหมือนกับในขณะที่เราตกอยู่ในภวังบรรยากาศและสถานที่คือที่เดียวกับภาพที่แล่นอยู่ในสมองของเราก่อนที่เราจะเดินทางมาที่นี่เราเห็นกอผักตบชวาที่คุ้นตาจึงขอให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยช่วยเกี่ยกอผักตบชวานั้นเข้ามาใกล้ฟัง เมื่อดึงกอผักตบชวาเข้ามาถึงฝั่งเราก็พบร่างของพ่อเราซึ่งใช้แขนข้างหนึ่งเกี่ยวอยู่กับมัดไม้ไผ่ก้มหน้าอยู่ในน้ำตัวซีดเผือกเราสามคนแม่ลูกกอดกันร้องไห้อยู่ตรงนั้นอย่างไม่ยอมรับในสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้าการเสียชีวิตอย่างกระทันหันของพ่อทาให้ครอบครัวเราแทบจะล่มสลายเราสามคนแม่ลูก ต้องผจนกับความเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายในชีวิตวันที่เราเข้าไปกราบท่านเจ้าประคุณเพื่อกราบเรียนท่านเรื่องพ่อเสียชีวิตนั้นเราซบหน้าร้องไห้ที่ตักของท่านน้ำตาของเราเปียกจีวรของท่านท่านลูบหัวของเราอย่างอ่อนโยนและปลอบเราอยู่พักใหญ่ท่านบอกว่าพ่อไม่ได้จากเราไปไหนและเราอาจสามารถมีเวลาร่าลาพ่อหากเราจะหยุดร้องไห้ฟูมฝ่าย และเงี่ยหูฟังเสียงรอบตัวดีๆเราเริ่มหยุดร้องไห้และทำตามที่เจ้าประคุณบอกเราเริ่มสงบลงแม้ในวันแรกๆเราจะไม่ได้ยินอะไรเลยก็ตามแต่เจ้าประคุณก็บอกให้เราใช้ความพยายามมากขึ้นเราเริ่มทำสมาธิได้นานขึ้นกว่าวันแรกๆเมื่อพ่อเสียชีวิตได้15วันในวันนั้นเราเดินทางไปที่วัดตั้งแต่บ่ายสามโมง ยังไม่มีแขกมาในงานสวดศพของพ่อแม่และญาติญาติช่วยกันเตรียมอาหารอยู่ด้านหลังศาลาเราจึงมีเวลานั่งมองลงศพพ่อแต่ลำพังเราใช้เวลาในการทำสมาธิแล้วเราก็พบความเงียบสงัดอย่างประหลาดเราไม่ได้ยินเสียงรอบๆตัวเราเลยเป็นความเงียบสงัดที่เงียบที่สุดในชีวิตของเราเรารู้สึกสดชื่นและตื่นตัวอย่างบอกไม่ถูกและในวินาทีนั้นเอง เราก็สัมผัสได้ชัดว่าพ่อมาอยู่ข้างๆเรากลิ่นโคโลอนที่พ่อเคยใช้โชยเข้าจมูกเรารู้สึกได้ว่ามีสัมผัสบางอย่างลูบที่ผมและใบหน้าของเราเราพยายามสะกดอารมณ์ตื่นเต้นนั้นไว้ด้วยกลัวว่าความดีใจเกินไปจะพรากเราจากสัมผัสนั้นนับแต่นาทีนั้นเราเชื่อสนิทใจว่า โลกของวิญญาณเป็นสิ่งที่มีจริงๆเพียงแต่ว่าเราไม่อาจติดต่อกันได้โดยสะดวกเหมือนที่อยู่ในโลกเดียวกันแต่อย่างน้อยก่อนที่พ่อจะเลิกติดต่อกับเราในวันนั้นเราได้รับกระแสจิตของพ่อเสียงของพ่อก้องอยู่ในหัวของเราพ่อบอกให้เรารู้ถึงที่เก็บเอกสารสำคัญซึ่งแม่ต้องใช้และพ่อยังบอกเราว่าซอยที่ห้อยพระของพ่อที่เราเข้าใจว่าตกจมลงไปในแม่น้าแล้ว ที่จริงในวันที่พ่อเสียชีวิตพ่อไม่ได้ใส่สร้อยพระนั้นเพราะพ่อมีลางสังหรณ์ใจบางอย่างจึงเอาสร้อยไปไว้ใต้ฐานพระพุทธรูปที่บ้านเพื่อเป็นการฝากเอาไว้กับท่านก่อนจากกันวันนั้นพ่อบอกกับเราว่าเมื่อใดที่สภาวะจิตของเรามั่นคงเพียงพอพ่อก็จะสามารถติดต่อกับเราได้นั่นหมายความว่า เราไม่สามารถติดต่อกับพ่อได้ตลอดเวลาที่เราต้องการหากเรายังมีสมาธิไม่ดีพอเราจึงบอกพ่อว่าถึงแม้เราจะติดต่อกันได้ยากเพียงใดเราก็จะพยายามติดต่อพ่อทุกๆวันและแม้สมาธิของเรายังไม่ดีพอจนถึงขั้นเงียบสงบอย่างเช่นวันนี้เราก็จะขอพบกับพ่อทุกวันในความฝันหลังจากกลับจากงานศพเราเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้แม่ฟัง และพาแม่ไปดูที่เก็บเอกสารที่พ่อบอกไว้พร้อมทั้งหยิบสายสร้อยของพ่อจากใต้ฐานพระตามที่พ่อบอกแม่ดีใจปนประหลาดใจเป็นอย่างมากที่เราสามารถติดต่อกับพ่อได้หลังจากวันนั้นทั้งเราและแม่ก็คลายความทุกข์ใจได้ในระดับหนึ่งเพราะอย่างน้อยเราและแม่ก็มั่นใจได้ว่าพวกเราไม่ได้ถูกทิ้งให้อยู่กันตามลาพัง จากเหตุการณ์ในวันนั้นทำให้เราสนใจศึกษาเรื่องของวิญญาณเป็นอย่างมากทุกครั้งที่มีโอกาสเราจะขอให้เจ้าประคุณได้เมตตาสอนเราในเรื่องต่างๆที่จะสามารถอธิบายถึงเหตุและผลรวมถึงความเป็นไปของโลกและจักรวาลเพื่อที่เราจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นและเจ้าประคุณก็ได้เมตตาสั่งสอนเราในทุกเรื่องที่เราอยากรู้จากง่ายไปยากตามลาดับ